ล่วงพ้นความโศกและความรำพันคร่ำครวญได้ดับทุกข์และโทมนัสได้บรรลุอริยมรรคเพื่อเห็นแจ้งพระนิพพานได้หนทางนี้คือสติปัฏฐาน4ประการ4ประการนั้นมีอะไรบ้างดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เสมอส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 ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกส Ан ั e ้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสัน้นย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักระงรับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักระงรับกายสังขารหายใจเข้าดูก่รภิกษุทั้งหลาย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 ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กาหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กาหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักระ ง, งับกายสังขารหายใจเข้ากายานุปัสสนาอิริยาปถะบัพะดูกนภิกษุทั้งหลาย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 ในการพูดการนิ่งกายานุปัสนาปฏิกูละมณสิการบับพระดูกรภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังเป็นที่สุดรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกไขกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอุจจระดีสเสลณหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อปัสสาวะดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไท้มีปากสองข้างเต็มด้วยธัญชาติต่างชนิด คือข้าวสาลีเข้าเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษผู้มีในตาดีแก้ไท้นั้นแล้วพึงเห็นได้ว่านี้ข้าวสาลีนี้ ข, าานข้าเปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถั่วเหลืองนี้งานีน้ข้าวสารฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังเป็นที่สุดรอบ เต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกไขกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสรลฐนหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูก ไขข้อปั ส, สวะกายานุปั ส, สนาธาตุมณสิการบัพภะดูกรภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ซึ่งตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนข้าโครหรือลูกมือของคนข้าโคผู้ขยันข่าโคแล้วแบ่งออกเป็นส่วน นั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ซึ่งตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกายานุปัสนานวสีวถิกาบับพะดูกรภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเมื่อเธอเห็นจรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า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 ชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอเวทนานุปัสสนาดูกรภิกษุทั้งหลายภิษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนา เสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมะสุขเวทนาเสวยสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรเสวยทุกขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนามีอามิตรหรือเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตร เสวยอท ah ุคขมะสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ช no ัดว right> ่าเราเสวยอทุคขมะสุขเวทนามีอามิตรหรือเสวยอทุคขมะสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุคขมะสุขเวทนาไม่มีอามิตรดังพนนามาชนนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในเวทนาบ้างเธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่าเวทนามีก็เพียงสักว่าเอาไว้รู้เพียงสักว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้น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 ความยินดีพอใจในกามมีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อความยินดีพอใจในกามไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความยินดีพอใจในกามไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความยินดีพอใจในกามที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความยินดีพอใจในกามที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ความยินดีพอใจในการที่ละได้แล้วจะไม่เกิดข uh ึ้นต okay. ่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อความพยาบาทมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความพยาบาทมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อความพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอหนึ่งความพยาบาทที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั <descriptions> <ee opposite backs> <Platform Alice> ้นด้วยความพยายาทที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความพยายาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อความง่วงเหงาซึมเศร้ามีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความง่วงเหงาซึมเศร้ามีอยู่ภายในจิตของเรา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 ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อความฟุ้งซ่านรําคาญใจมีอยู่ภายในจิตย่อรรรมรู้ชัดว่าความฟุ้งซ่านรําคาญใจมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อควารรมฟุ้งซ่านรําคาญใจไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความฟุ้งซ่านรําคาญใจไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอนหนึง่งความฟุ้งซ่านรําคาญใจที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย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 ธรรมานุปัสสนาอายตนะบ พ, พะดูกรภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอกหกประการอยู่เสมอด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงจะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะหกอยู่เสมอได้ภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมรู้จักในตารู้จักรูป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 ย่อมรู o, en, ok sa sa ้ชัดประการนั้นด้วยย่อมรู้จักใจรู้จักธรรมารมและรู้จักใจและธรรมารมทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อนหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสยได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยธรร ม, มานุปัสสนาโพชิชงฆะบัพพะดูกรภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชชงเจตอยู่เสมอด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชงเจตอยู่เสมอภิกษุในพระศาสนานี้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 ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อธรรมวิจยะสามโพชงมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยะสามโพธชงมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อธรรมวิจยะสามโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยะสามโพธชงไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งธรรมวิจยะสามโพธชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมวิจยะสามพโธชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อวิริยะสัมพโธชงมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิริยะสามพโธชงมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อวิริยะสามพโธชงไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัด ว่าวิริยะสำโพธชงไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอนหนึ่งวิริยะสำโพธชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยวิริยะสำโพธชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อปิติสำโพธชงมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปิติสำโพธชง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 เมื่อปัสสิสัพโน์ชงมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปัิสัานพจน์ชงมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อปัสสิสัพโน์ชงไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปัิสัมโพจนชงไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งปัสสิสัพโน์ชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยปัิสัมโพจน์ชงที่เกิดขึ้นแล้ว จ ะ, จะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมาธิสำโพชชงมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสำโพธชงมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อสมาธิสำโพชชงไม่ม judgment, ีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสำโพชชงไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอนหนึ่งสมาธิสำโพชงที่ยังไม่เกิด จะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสมาธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึง่งเมื่ออุเบขาสัมโพชชงมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัด <masuk forward> ว่าอุเบขาสัมโพชชงมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่ออุเบขาสัมโพชชงไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเบขาสัมโพชง ไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งอุเบกขาสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุเบกขาสัมโพธชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมานุปัสสนาสัจจะบัพพะดูกรภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออริยสัจสี่อยู่เสมอด้วยการปฏิบัติอย่างไรเล่าภิกษุจึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อยู่เสมอภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคามิหนีปฏิปาทาธรรมานุปัสสนาทุกขอริยสัจความจริงเกี่ยวกับทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะอริยสัจเป็นไฉนะแม้ชาติก็เป็นทุกข์แม้ชราก็เป็นทุกข์แม้มรณะก็เป็นทุกข์แม้โศกะปริเทวะทุกขโทมณตอุปาญาตก็เป็นทุกข์แม้ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์แม้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเป็นไนความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชาติก็ชราเป็นไนความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมงอกหนังเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์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 อันนี้เรียกว่ามรณะก็โศกเป็นไนความแห้งใจกิริยาที่แห้งใจภาวะแห่งบุคคลผู้แห้งใจความผากณภายในความแห้งผากณภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าโศกะก็ปริเทวะเป็นไนความคล้มครวญ ความร่ำไรรำพันกิริยาที่คร่าครวนกิริยาที่ร่ำไรรำพันภาวะของบุคคลผู้คร่าครวนภาวะของบุคคลผู้ร่ำไรรำพันของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทาคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าปริเทวะก็ทุกเป็นไนความลำบากทางกายความไม่สำราญทางกาย ความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกเกิดแต่กายสัมผัสอันนี้เรียกว่าทุกข์ก็โทมนัตเป็นไนความทุกทางจิตความไม่สําราญทางจิตความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์กเกิดแต่มโนสัมผัสอันนี้เรียกว่าโทมนัตก็อุปายาตเป็นไนความแค้นความคับแค้นภาวะของบุคคลผู้แค้นภาวะของบุคคลผู้คับแค้น ของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าอุปายาตก็ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เป็นไฉนะความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความรักคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจ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 ก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์เป็นไฉนความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาขอความเกิดอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ Lets, ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์กค็ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนาขอเราไม่พึงมีความแก่เป็นธรรมดาขอความแก่อย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ก็ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู <nin? S 1> ้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋นขอเราไม่พึงมีความเจ็บเป็นธรรมดา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 แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปา ย, ยาตเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนขอเราไม่พึงมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปา ย, ยาตเป็นธรรมดาขอโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปา ย, ยาตอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้น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 ทุกขะสมุทัยอริยสัจความจริงเกี่ยวกับต้นเหตุทุกข์ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นไนตัณหานีอันใดมีความเกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นนั้นคือการมตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาดูกรภิกษุทั้งหลาย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 ตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ณที่นี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จากขูวิญญาณโสตะวิญญาณคาณะวิญญาณชิวหาวิญญาณ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 ตันหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จากขุสัมผ ah ัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผ ah ัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตันหาจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้สัมผัสชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะภาษาในคู่อยัยตนะนั้นๆรูปสัญญาสัทธาสัญญาคันธาสัญญารสสัญญาโพพภะสัญญาธรรมสัญญาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้สัญญาคือความหมายรู้ในอายตนะนั้นๆรูปะสัญญเจตนาสัทธะสัญญเจตนาคันทสัญญเจตนารสสัญญเจตนาโหัพะสัญญเจตนาธรรมสัญญเจตนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้สัญญเจตนาคือความคิดอ่านในอายตนะภายนอกซึ่งเกิดต่อจากสัญญาทางอายตนะนั้นๆรูปตันหาสัทธตันหาคันทตันหารส ต, าตันหาโผดถัพพตันหาธรรมตันหาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ตัณหาคือความทยานอยากเข้ายึดมั่นอายตนะนั้นๆรูปาวิตกสัทธวิตกคันทวิตกรสวิตกโผฏฐัพพวิตกธรรมวิตกเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้วิตก คือความตรึกนึกในอายตนะนั้นๆรูปะวิจารสัตธะวิจารคันทะวิจารรสวิจารโหัพพะวิจารธรรมะวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้วิจารคือความตรองความแนบใจอยู่กับอายตนะนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจความจริงเกี่ยวกับการดับทุกข์ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะนิโรธอริยสัจเป็นไฉไรความสำรอกและความดับโดยไม่เหลือความสละความสงคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหานั้น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 ชิวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้รูปสัญญาสัทธาสัญญาคันทาสัญญารสสัญญาโพธทัพะสัญญาธรรมสัญญาเมื่อบุคคลจะละ เมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้รูประสัญญาเจตนาสัทธญญญญสญญทะสัญญาเจตนาคันธะสัญญาเจตนารสสัญญาเจตนาโผดทัพะสัญญาเจตนาธรรมสัญญาเจตนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้ รูป ต, ตัญห า, ญหาสัาทธตัญหาคันทตัญหารสตัญหาโพธพัตตันหาธรรมตัญหาเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัญหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้รูปวิตกสัทธวิตกคันทวิตตกรสวิตกโพธพัพวิตกธรรมวิตกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตันหา ย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้รูประวิจารณ์สัตววิจารณ์คันทวิจารณรสวิจารณ์โผฏฐัพพวิจารณธรรมวิจาร์เมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัตว์ ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจความจริงเกี่ยวกับวิธีดับทุกข์ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไนคือมรคมีองค์แปดอันประเสริฐได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตัสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ก็สัมมาทิฏฐิเป็นไนาความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุ ท, ทยัย ค, ความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไนาความดําริในการออกจากกามความดําริในความไม่พยาบาทความดําริในอันไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาเป็นไนการงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคํหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออันนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นไนการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมอันนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ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 พิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อันนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นฉไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม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 ส, สุขด้วยกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอบรรลุจะตุตตถัถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมณทโธมณทก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 ก็จะเป็นพระอนาคามี7เจปียกไว้ผู้ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ตลอด6ปี5ปี4ปี3ปีสองปี1ปี7เดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนกึ่งเดือน7วันเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัน ต, ตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีดูกรภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับศูญ์แห่งทุกโทมนัตเพื่อบรรุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปฐานสี่ อ น, นิสงส์อันเป็นผลข้างเคียงจากการเจริญสติปัฏฐานรวบรวมคำยืนยันของผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่แล้วเกิดความรู้เห็นอันยิ่งหรืออภิญยาประการต่างๆดังนี้วิปากสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้วิบากของการกระทำกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริง เพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฐานสี่เหล่านี้อิธิสูตรดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรมโลกก็ได้เพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฐานสี่เหล่านี้ทิพพระโสตสูตรดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและมนุษ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพพโสดอันบริสุทธิ์ล่วงโสดของมนุษย์เพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปฐานสี่เหล่านี้เจโตปริจจะจสูตรดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมกาหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น เพระาะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้ฐานาฐานสูตรดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้ฐานะโดยความเป็นฐานะและอาฐานะโดยความเป็นอาฐานะตามความเป็นจริงเพระาะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้สัพพัทธคามินีปฏิปทาสูตรดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย เราย่อมรู้จักปฏิปทาอันให้ถึงประโยชน์ทั้งปวงตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฐานสี่เหล่านี้นานาทาตุสูตรดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้ธาตุเป็นอเนกและโลกธาตุต่างๆตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฐานสี่เหล่านี้อธิมุตติสูตรดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย เราย่อมรู้อัธยาศัยอันเป็นต่างๆกันของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทําให้มากถึงสติปัฐานสี่เหล่านี้อินทสียสูตรดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้ความยิ่งและย่อนแห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฐานสี่เหล่านี้ สังกิเล ส, สูตรดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้ความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้วิชาสูตรที่หนึ่งดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้างนับร้อยนับพันและนับกลับนับกันบ้างเราย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งเหตุการณ์ความเป็นไปชื่อสกุลบุคคลต่างๆด้วยประการชนิดเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฐาน4ี่เหล่านี้วิชาสูตรที่2ดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กาลังจุติ กำลังอุ บ, บัติด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้วิชาสูตรที่สดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันทาลายอาสวะกิเลสหมักดองในขันธสันดานเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้